ที่เป็นพื้นฐานที่สุดคำถามนั้นมาบรรจบกับคำถามนี้ว่าธรรมะอะไรที่พระพุทธเจ้าตรัสบ่อยที่สุดสำหรับชาวบ้านคำตอบก็ง่ายบอกว่าฐานพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยฐานชาวบ้านทั่วไปพอจะรู้เข้าใจหลักที่เรียกว่าบุญญากริยาวัตถุสามซึ่งเป็นหลักปฏิบัติชุดของคฤหัตที่เทียบคู่กับชุดไตรสิกขาของพระสงฆ์ พูดง่ายๆว่าของพระคือไตรสิกขาของโยมคือบุญญากริยาสามคือทานศีลภาวนาบุญญากริยาที่เรียกเต็มว่าบุญญากริยาวัตถุสามหรือบุญญากริยาวัตถุสิบก็ตามเริ่มด้วยข้อแรกคือทานหลักธรรมสำคัญสค ญ, สคญสำหรับประชาชนหรือมนุษยชนขอให้สำรวจดูเถิด มีทานเป็นข้อแรกทั้งนั้นทานอันแปล ง, ง่ายๆว่าการให้ที่สำคัญอย่างนี้บ่งบอกความหมายอะไรก็บอกให้รู้ให้ตระหนักว่าในเรื่องของมนุษย์นั้นการแสวงหาวัตถุการจัดสรรวัตถุการครอบครองวัตถุและการเสพวัตถุเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วที่แสวงหาที่จัดสรรที่ครอบครองนั้นก็มาจบ มารวมมาลงที่เสพซึ่งกลุ่มทั้งบริโภคนี่แหละมนุษย์มีแนวคิดมีความครุ่นคิดพื้นฐานอะไรอย่างน้อยจากแรงบีบคั้นของความต้องการอยู่รอดทําให้เขาหาทางดิ้นรนสแสวงหาเพื่อตัวเองเขาก็คิดถึงการที่จะได้จะเอาจะได้จะเอาจะได้จะเอ า, จ, จ, เอาจนกระทั่งความคิดนี้เป็นความเคยชินติดเป็นพื้นใจ เมื่อแสวงหาได้มาเอาไว้ได้มาเอาไว้ก็ไม่รู้จบไม่รู้พอแต่วัตถุสิ่งเสพมีจำกัดแล้วการแย่งชิงเบียดเบียนกันก็เกิดขึ้นและแพร่ขยายออกไปสังคมมนุษย์จนถึงทั้งโลกก็เดือดร้อนบอกว่าไม่มีสันติภาพทางแก้คือทรรมก็จึงเริ่มต้นที่ทานด้วยการให้อย่างน้อยก็สร้างดุลไว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 คู่กับพฤติกรรมพื้นฐานอันแรกของมนุษย์ที่แสวงหาจะได้จะเอาจะเสพเพื่อตนเองก็มีการให้ปันแก่ผู้อื่นบ้างเพราะฉะนั้นทานจึงขึ้นมาเป็นข้อแรกเป็นข้อธรรมพื้นฐานจหรับสังคมมนุษย์ที่เราจัดว่าเป็นฝ่ายครืัตัดหรือชาวบ้านอย่างที่ว่าเมื่อกี้ทานนี้มาเป็นฐานที่จะพัฒนาคนขึ้นไปสู่ธรรมอื่นๆต่อไป ที่กว้างที่สุดก็คือในชุดบุญญากิริยาวัตถุสามสำหรับพัฒนาชีวิตของคนโดยจัดเป็นทานศีลภาวนาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ชาวบ้านทั่วๆไปที่ยังไม่ค่อยมีพื้นความรู้ตามปกติทรงแสดงคำสอนปูพื้นขึ้นไปตามลำดับก่อนเรียกว่าอนุปปพิกถามีห้าข้อก็เริ่มด้วยทานนกถา คือเรื่องทานแล้วจึงต่อด้วยสีลกถาเรื่องศีลสักกะกถาเรื่องสวรรค์กามาทีนบโทษของกามและเนคข ม, มานิสงอานิสงแห่งเนคขมแล้วก็มาเข้าอยู่ในชุดสังคหวัตถุสี่หลักการสงเคราะห์สำหรับยึดเหนี่ยวผนึกสังคมทั้งหมดไว้ได้แก่ทานปิยวาจาอัฏจริยา สมานัตตาและก็ชุดทศพิตราชธรรมธรรมของพระราชาสิบอย่างคือคุณธรรมสำหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองได้แก่ทานศีลปริจาคะอาชวะมัทวะตบะอักโธกะอวิหิงสาขันติอวิโรธนะแม้แต่ในชุดบารมีสิบ ที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญก็มีลำดับว่าทานศีลเนคขมะปัญญาบิรรยะขันติสัจจะอธิิฐานเมตตาอุเบกขาทานยังอยู่ในธรรมชุดอื่นอีกและเป็นข้อแรกเป็นธรรมดาความสำคัญของทานก็คงไม่ต้องพูดให้มากคนไม่มีจะกินจะอดตายทุกแค่ไหนก็รู้กันและทานนี่แหละแก้ได้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 แม้แต่ผู้ที่บําเพ็ญสมถาวิปัสสนาก็เอาใจใส่ไม่ละเลยการให้ทานโดยถือเป็นเรื่องสำคัญไม่เพียงด้วยเหตุผลทั่วไปที่ได้ว่ามาและเพราะเป็นธรรมอยู่ในชุดบุญญากริยาเดียวกันที่พึงบําเพ็ญให้ครบไม่ใช่เท่านั้นพระพุทธเจ้ายัางตรัสถึงการบําเพ็ญสมถาวิปัสสนาที่ได้ทานเป็นจิตตาลังการและเป็นจิตตะบริคารอีกด้วย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 รวมแน่วมุ่งมาทางกุศลได้ดีช่วยเปิดจิตสลัดออกไปทำให้จิตโล่งโปรง่งเบาผ่อนคลายทำให้จิตงามผ่องน้อมสู่สมาธิเอื้อต่อการชำระจิตและการที่จะพัฒนาสูงขึ้นไปแม้แต่เกิดปีติสุขจากการบำเพ็ญทานก็ช่วยการเจริญภาวนาได้อย่างดียิ่งแล้วช่วยให้เดินหน้าไปในภาวนา ช่วยให้บำเพ็ญสมถาวิปัสนาได้ง่ายเพราะอย่างนี้แหละคฤรือหัดแม้จะเป็นอริยสาวกบรรลุธรรมสูงชั้นไหนก็บำเพ็ญทานกันทั้งนั้นทานนี้มีความหมายกว้างคือการให้การเผื่อแผ่การแบ่งปันการจัดสรรความช่วยเหลือกันในสังคมมนุษย์อย่างที่ว่าแล้วเป็นฐานที่จะให้มนุษย์อยู่กันดีมีความสุขจึงสาคัญมาก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 ให้ด้วยปัญญาให้โดยรู้จักพิจารณาระมัดระวังผลข้างเคียงที่จะเสียหายแล้วก็ต้องไปประสานกับการปฏิบัติธรรมอื่นไม่ควรไปนึกว่าฉันมาถึงขั้นภาวนาแล้วฉันไม่ต้องให้ทานแล้วอะไรอย่างนี้ไม่ถูกทางช่วยย้ำกันว่าต้องให้ทานมาเกื้อหนุนภาวนาอย่างน้อยให้เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า บำเพ็ญทานให้เป็นจิตตาลังกาเป็นจิตบริฐานอันจะช่วยให้การบำเพ็ญสมถะวิปัสสนาของตนได้ผลดียิ่งขึ้นดังได้ว่ามา